เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการบริการใจบุญใจผสงทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทำงลายมีเวลาว่างจกพาดกิจการงานต่างๆจึงได้ทั้งใจ่าวัด เพื่อมาเสริมสวยเสริมความงามให้แก่ชีวิตของตนด้วยการทําความดีละบาทําใจให้สงบทําใจให้สะอาดตามที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทําเพื่อการเสริมสวยทางใจ นี่เป็นความสวยที่แท้จริง er เป็นความสวยที่ถาวรส่วนความสวยทางร่างกายเป็นความสวยเพียงชั่วคราวแล้วก็เป็นความสวยที่ไม่แท้จริงเพราะร่างกายที่เราคอยเ ส, สริมสวยนั้นย่อมต้องร่รวงโรย ไปตามการตามเวลาต่อให้ใส่เสื้อผ้าสวยงาวิจิตรพิสดารขนาดไหนก็ตามต่อให้ใช้เครื่องสำอมงใช้น้ำหอมใช้น้ำมันต่างๆก็ a, จะไม่สามารถที่จะเสริมสวยไปกับร่างกายที่แก่ชราที่เจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นเราไม่ควรที่จะหลงเสริมสวยกับความสวยงามทางร่างกายมากจนเกินไปทำพอหอมปากหอมคอทำพอไปวัดไปว่าได้ก็พอแล้วต้องยอมรับความจริงของสังขารร่างกายว่าจะต้องแก่ลงไป ตามำดับนานถ้าที่สุดก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุไปแต่ความสวยทางจิตใจนี้ไม่มีวันเสื่อมไปกับการกับเวลาเพราะจิตใจไม่ได้เสื่อมเหมือนกับร่างกายจิตใจนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนถาวรเทิ่งแท้ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมดไปความสวยงามที่เราเสริมให้กับใจก็จะสวยไปตลอดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปแล้วก็ความสวยงามทางจิตใจเป็นความสวยงามที่มีน้ำหนักกว่าความสวยงามทางร่างกายมีความประทับใจมากกว่าความสวยงามทางร่างกาย เช่นถ้าร่างกายสวยงามแต่จิตใจไม่สวยงามก็จะไม่ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีหรือเกิดความประทับใจอาจจะเป็นความชื่นชมยินดีประทับใจเพียงชั่วคราวในตอนที่ยังไม่รู้จักว่าจิตใจเป็นอย่างไรพอได้เห็นธาตุแท้เห็นจิตใจที่ไม่สวยงามแล้ว ก็จะไม่มีความประทับใจไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความชื่นชมยินดีในทางตรงกันข้ามถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่สวยงามแต่จิตใจสวยงามเวลาที่ได้พบได้รู้จักได้เห็นความสวยงามของใจก็จะเกิดความประทับใจ เกิดความชื่นชมยินดีเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเช่นพระภิกษุทั้งหลายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมามีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามไม่ได้ไม่ได้ไได ส, สวยทางร่างกายเลยแม้แต่ศีสระก็ไม่มีผมเป็นศีสระโดนโลนเสื้อผ้าอภรรกก็เป็น เสื้อผ้าชุดเดียวไม่เคยเปลี่ยนไม่มีหลายชุดใส่ชุดนั้นมาตลอดแต่ความสวยงามทางจิตใจกับทำให้มีความเริ่มสายศรัทธามีความเคารพนับถือมีความชื่นชมยินดีมาตลอดแม้ร่างกายจะตายไปแล้วแต่ความสวยงามทางจิตใจ ก็ยังประทับอยู่ในใจของผู้ที่ได้พบได้รู้ได้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะเสด็จดับขันธปนิพานไป 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่ความเลื่อมใสศรัทธาความประทับใจความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ตราบจนถึงทุกวันนี้ นั่นก็เพราะว่าเป็นความสวยงามทางจิตใจนั่นเองทางร่างกายนี้ได้กลายเป็นซากศพไปแล้วได้กลายเป็นขี้เถ้าได้กลายเป็นเศษกระดูกเป็นปราธาตุไปแล้วแต่ใจไม่ได้กลายไปเหมือนกับร่างกายความสวยงามยังมีอยู่เหมือนเดิม นี่คือสิ่งที่เราควรให้ความสนใจควรที่จะเสริมสวยกันก็เสริมสวยด้วยเสริมสวยจิตใจของเราอะไรที่เป็นเครื่องเสริสมสวยของใจก็คมมือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เองธรรมะที่เป็นเครื่องเสริมสวยกับใจนี้ก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือหนึ่งเมตตาสองกรมมา สามบุธิตาสอุเบกขาถ้าใครมีกุณธรรมทั้งสี่ประการนี้อยู่ภายในใจแล้วจะเป็นคนสวยงามจะเป็นคนน่ารับเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาหารหันตาสาโลกทั้งหลายท่านมีธรรมะเครื่องเสริมสวยก็คือมีเมตตากรุณา มุตตาอุเบกขาอยู่ในพระไทยอยู่ในใจนั่นเองถ้าเราอยากจะสวยเหมือนพระพุทธเจ้าสวยเหมือนพระอาจารย์ตสาวกเราก็ต้องเสริมสวยด้วยคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้คือเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาการเสริมสวยนี้ทำมีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือ การศึกษาเช่นเวลาที่เราสวนบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอันนี้เป็นการศึกษาเป็นการสอนใจเป็นการทำการบ้านให้เรารู้ว่าการที่จะมีความเมตตานี้ทำอย่างไรเช่นสัพเพสัตตาอเวลาหงุิก็แปลว่าไม่จองเวรจองกรรม อัปยปัชชาโหรตุก็คือไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นสัตเบสัตตาอเวราโหรตุสัตเบสัตตาอบปยปัชชาโหงตุสัตเบสัตตาอานิกาโหรตุไม่ไม่สางความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น สุขีอัตนานปริหารันตุดให้มีความปรารถนาดีส่งความสุขให้แก่ผู้อื่นอันนี้เป็นการเวลาที่เราสวดมนตน์แล้วเราสวดบทแผ่เมตตานี้ความจริงเรายังไม่ได้แผ่เมตตาเรากำลังทำการบ้าเรากำลังศึกษาวิธีแผ่เมตตาพอเรารู้แล้วว่าเราต้องไม่จองเว เราต้องไม่เบียดเบีย น, เ, ยนเราต้องไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราต้องส่งความสุขให้แก่ผู้อื่นพอเวลาเราเจอผู้อื่นเวลานั้นแหละเป็นเวลาที่เราต้องแผ่เมตตาเช่นเวลาเราพบปะ ก, กับบุคคลต่างๆหรือแม้แต่สัตว์ในรายฉางเราก็ต้องส่งความสุขให้กับเขา เช่นยิ้มแย้มแจสายสซงเวลาคนยิ้มนี่แสดงว่าเขาให้ความสุขกับเราเวลาเขาแยกเที้ยวนี่แสดงว่าเขาให้ความทุกข์กับเราและเวลาใครทำให้เราไม่พอใจเราก็ให้อภัยไม่จองเวงถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่ในเร่องนี้เป็นเหมือนเล่นกับฝัน บางครั้งก็อาจจะมีการผิดพลาดมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาหรือจะมีเจตนาก็ขอให้คิดว่าเป็นเรื่องของวิบากกันเราคงไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจเจ็บช้าน้ำใจเขาเลยต้องมากระทาร้ายเราพูดร้ายต่อเราแต่เราจะไม่ตอบโต้เราจะแผ่เมตตา ด้วยการไม่จองเวดจองกรรมปล่อยให้เขาพูดไปปล่อยให้เขาทำไปถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้เราจะไม่ทำร้ายเขาโดยเด็ดขาดเราจะให้อภัยนี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าเจอคนนั่นคนนี้ ความมีอารมณไม่ดีก็น่าเบื้อใส่แยกเขี้ยวใส่อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าแผ่เมตตาอันนี้เรียกว่าแผ่อยากแผ่มาไม่ได้แผ่ความสุขให้แก่ผู้นี่คือเรื่องของการแผ่เมตตาที่เราต้องคอยมันสอนมันทำการบ้านอยู่เรื่อยเช่นซ้อมอยู่ดเรื่อยเช่นเวลาเราอยู่ตามลาพัง เราก็ต้องสมมุติขึ้นมาว่าถ้าคนนั้นคนนี้เขามาทำร้ายเราเราจะทำอย่างไรเราให้อภัยเขาได้หรือเปล่าเราเฉยได้หรือเปล่าเนเราต้องคิดไว้ก่อนถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเวลาอยู่ในเหตุการณ์จริงจะแผ่ไม่ออกแต่ถ้าเราซ้อมอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆคิดเผื่อไว้ก่อนว่าเดี๋ยวคนนั้นเขาจะมาทำให้เราไม่สบายใจ เดี๋ยวคนนั้นเขาจะด่าเราเดี๋ยวคนนั้นเขาจะทุบตีเราเราต้องไม่ตอบโต้โดยเด็ดขาดเราต้องยิ้มสู้เราต้องให้อภัยนี่เรียกว่าการสร้างมิตรไม่ได้เป็นการสร้างศัตรูถ้าเราแผ่เมตตาได้แล้วเราจะไม่มีศัตรูเราจะมีเพื่อนมากจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เราจะมีความสุขไม่ว่าเวลาตื่นหรือเวลาหลับเวลาหลับก็จะไม่ฝันร้ายแล้วก็จะไม่ตายด้วยการฆ่าของผู้นไ ม, ไม่ตายด้วยยาพิษไม่ตายด้วยสัตว์ราวณจะตายแบบธรรมชาติแล้วก็เวลาตายไปก็จะไปเกิดในสุคติ จะไม่เกิดไันจะไม่ไปเกิดในอบายจะไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมต่อไปนี่คืออนิสงส์ของการมีความเมตตาส่วนกรุณาก็คือความสงสารสงสารในความทุกข์ยากลำบากในความเดือดร้อนของผู้อื่นถ้ามีอะไรพอที่จะช่วยเหลือได้ ก็จะช่วยทันทีจะไม่ใจไม้ไส้ละกรรมใจจืดใจดงเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากพอมีอะไรที่จะแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไป mm hmm. เช่นปัจจัยสี่ยาที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มเวลาผู้อื่นตกะละกรรมลำบาก มีอุท ก, กภัยบ้างมีอักาศภัยบ้างมีวาตภัยบ้างก็มาช่วยเหลือกันอย่างนี้เรียกว่าความสงสารใครเดือดร้อนถ้าช่วยได้ก็ช่วยแต่ต้องช่วยให้เขาดีไม่ใช่ช่วยให้เขาเลวลงเช่นเราจะไม่ช่วยให้เขาดื่มสุรายาวเงาจะไม่ช่วยให้เขาเล่นการพนัน จะไม่ช่วยให้เขาเที่ยวเต่โดยเฉพาะเที่ยวกลางคืนจะไม่ช่วยส่งเสริมให้เขามีความเกลียดคา้าจะไม่ช่วยให้เขาคบค้าสมาคมกับคนชั่วทั้งหลายอย่าส่งเสริมอย่าช่วยเหลือแบบนี้เพราะการช่วยเหลือแบบนี้เป็นโทษกับผู้ที่รับความช่วยเหลือและจะเป็นโทษแก่ผู้อื่นต่อไป ดวยเหลือแต่เฉพาะให้เขาได้เป็นคนดีได้ทําความดีเช่นเด็กเดือดร้อนไม่มีค่าเล่าเรียนไปโรงเรียนไม่ได้เรามีทรัพย์พอที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เขามีทุนการศึกษาให้เขาได้ร่ำได้เรียนอย่างนี้ก็ดีแต่อย่าส่งเสริมให้เด็กนี้โรงเรียน ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเล่นไปทาอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเขาและกับสังคมนี่คือความสงสารเราทําไปเท่าที่เราจะทําได้ข้อที่สาก็คือให้เรามีมุนิตาจิตก็คือให้เรามีความยินดีในความสุขในความเจริญ ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรก็ตามถ้าผู้อื่นได้ดีได้ดีเราควรจ ะ, สะแสดงมุดิมดิตาจิตชื่นชมยินดีกับความสุขกับความเจริญของเขาเพราะถ้าเรามีมุดิตาจิตจะทำให้จิตของเรามีความสุขแต่ถ้าเราไม่มีมุดิตาจิตกับมีอคติ เธอจะมีความอิจฉาหรือเสโกรธเกลียดไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดีดได้ดีก็จะทําให้เราใจของเราคับแคบจะทําให้ใจของเราไม่สบายจะทําให้ใจของเรามีความโกรธเกลียดและอาจจะไปทําสิ่งที่ไม่ดีก็ได้แทนที่จะเป็นคนดีมีเมตตา ก็จะกลายเป็นคนใจจืดใจดำใจไม้ใส่ลาการใจโหดร้ายขึ้นมาได้เพราะความอิจชาลึศยาไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดีได้ดีกว่าตนพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามีมุนิตาจิตให้คิดว่าความดีความชั่วนั้นเป็นเรื่องผลของการกระทำของเขามาเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาจะได้ดีได้ดี เราก็ไปห้ามไม่ได้เขาจะชั่วเราก็ห้ามไม่ได้เราต้องยอมรับกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเวลาเขาทำดีเราก็แผ่เมตตาไปเวลาเขาทำชั่วเราก็แผ่อุเบกขาไปอุเบกขาก็คือการทำใจให้เฉยเฉยให้เป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นก็ดีหรือเกิดขึ้นกับเราก็ดีแล้วเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เช่นเวลาชีวิตของเราตกต่ำเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญเสือเส่อมรูปเสียงกลิ่นโลดผลสภาเราก็อย่าไปเศร้าโศกเสียใจอย่าไปาวุ่นวายอย่าไปเดือดร้อนขอให้เรา คิดถึงกฎแห่งกรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเลึกอยู่เรื่อยๆว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทำกับมันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเรามีอยู่เบขาเราก็จะไม่ไปทำอะไรที่จะทำให้เ็วลงไปเช่นเวลาเราเสื่อมลาบยศ ล้วเราอยากจะได้ลาบยศกลับคืนมาเราก็จะไปทำบาป ท, ทำกรรมเช่นไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงอย่างนี้ทำแล้วแทนที่ชีวิตจะดีขึ้นกลับจะทำให้ชีวิตของเราเร็วลงไปเราต้องพยายามทำใจให้เป็นอเบคาในเวลาที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วอย่าไปทำบา อย่าไปทำอะไรที่ทำให้เราขาดความเมตตาขาดความกรุณาขาดมุนิตาให้อยู่เฉยๆให้คิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันหรือเวลาที่เราถูกผู้อื่นเขาโกรธเกลียดเราอาฆาตพยาบาทเราจองเวรจองกรรมก็ให้คิดว่าดีแล้วเขาไม่ชอบเรา แต่เขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันเสียทีจะได้ไปเกิดในสุคติจะได้กลับมาเกิดมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเพราะเรามีเมตตามีกรุณามีมุนิตามีอุเบกขาผู้ใดจเจริญพรมวิหารสีนี้ได้ ตายไปก็จะได้ไปอยู่กับพระพรมไปเป็นลูกของพระพรมแล้วหลังจากกลับมาจากสวรรค์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความดีงามมีบุญมีบารมีจะเป็นที่รักที่เคารพของบุคคลต่างๆจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะมี มีไม่จะไม่มีศัตรูจะไม่มีผู้ใดมาคิดปองร้ายแล้วถ้าได้ปฏิบัติธรรมท่านสูงต่อไปคือถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังสัจธรรมความจริงสี่ประการคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าอริยสัจสีความจริงของพระอริยเจ้าผู้ใดได้เห็นอริยสัจสี ก็จะสามารถอริยบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ถ้าถึงขั้นพระอาหารหันต์ก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้เป็นอ น, นิสงส์ที่จะตามมาเวลาที่เราจเจริญพรมวิหารสี พของเราทุกพบทุกชาติจะเกิดในสุคติเสมอจะเกิดไปถึงสวรรค์ชั้นพรหแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาจเจริญพรมวิหารสีใหม่พอจะติดเป็นนิสัยเป็นสันดานแล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานเวลาที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอาจารตสาวกได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็จะสามารถออกบวชได้สามารถปฏิบัติธรรมสามารถมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยาาสัจสี่ได้และสังโยชนทั้งสิประการที่เป็นบวนคล้องคอให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสา ร, รแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น คือพระอริยสัจสี่ที่สอนว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากแล้วก็วิธีจะละความอยากก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นี้ไม่เที่ยงไม่ถาวรสิ่งต่างๆนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงธาตุสี่มาจากดินน้ำลมไฟเช่นร่างกายของเรานี้ ก็มาจากดินน้ำลมไฟมาผสมกันรวมกันแล้วก็มากลายเป็นอาการ32สองกลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกอาการ32อเหล่านี้ไม่มีตัวตนลองถามผมดูว่านี่คือตัวเราเหรือขนนี่คือตัวเราเหรือเล็บนี่คือตัวเราเหรือฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เป็นตัวเราเหรือ หัวใจตับปอดนำไส้นี้เป็นตัวเราเลยไม่มีเลยในอาการสามนี้ไม่มีตัวไยกรไนขอนางสาวสอนางสาวนายวอเลยมีแต่อาการ32เหมือนกันหมดเป็นอาการที่มีการเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไปเวลาเสื่อมไปก็แยกกายเป็นดินน้ำลงไฟไป ร่างกายตายไปน้ำก็ไหลออกมาลมก็ไหลออกมาแล้วย่อยออกมาความร้อนก็ละเหยออกไปเหลือส่วนที่แข็งก็คือผิวที่แห้งกรอบกระดูอวัยวะที่แห้งกรอบทิ้งไปนานๆก็เปื่อยผุกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายของพวกเราทุกคน ไม่ใช่ตัวเราของเราเราคือใจใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้แล้วก็ถูกความหลงหลอกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราจึงทำให้เราต้องทุกข์กับการดูแลรักษาร่างกายต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต้องทุกข์กับความเสื่อมของายยลาบยศสรรเสริญของสิ่งต่างๆที่เรา มีไว้คอบกรองแต่ถ้าเราได้ศึกษาพระอริยาาสัจสีได้เจริญปัญญาเราก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้นแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปพอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะละความหลงที่ไปยึดไปติด ว่าเป็นตัวเราของเราได้ไปยึดไปติดว่าสวยว่างามได้ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราได้เป็นตัวเราได้พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะละความอยากได้พอเราเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราจะไปอยากทำไมเหมือนบ้านของคนอื่นเราไม่เห็นไปอยากให้บ้านเขาไม่น้ำท่วมไม่ไฟไหม้เลยรถของคนอื่นร่างกายของคนอื่น เขาจะเป็นจะตายอย่างไรเราไม่เดือดร้อนเพราะเราเห็นว่าไม่ได้เป็นของเราแต่พออะไรมาเป็นของเรานี้เราเดือดร้อน ท, ทันทีเราเกิดความอยาก ท, าทันทีดังนั้นเราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ต้องเปลี่ยนว่าให้เห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติชั่วคราวในที่สุดก็จะจากกันไปถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เราก็จะ ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวาตายเกิดอีกต่อไปนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการได้พบกับพรอพุทธศาสนาและใช้รับประโยชน์จากพรอพุทธศาสนาได้เพราะในอดีตชาติหรือในภพชาตินี้และทุกทุกชาติมันเจริญความสวยงามทางใจอยู่เรื่อยๆด้วยการเจริญเมตาการุณามุนิตาอุเบก พอได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะสามารถปฏิบัติธรรม อ, อบวุนได้แล้วก็บรรลุมรรผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนวายตายก่อนดังนั้นขอให้เราให้ความสําคัญต่อความเสริญสวยทางจิตใจอย่าไปให้ความสําคัญต่อความเสริญสวยของร่างกายที่เป็นความเสริญเป็นความสวยชั่วคราว แล้วก็ไม่มีนิอนิสงอะไรแก่จิตใจตายไปกไ็อาจจะไม่ได้ไปเกิดสุคติถ้าไปทำบาปทำกรรมถ้าไม่มีเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาเวลาพบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากศาสนาได้เพราะจะไม่เห็นคุณค่าของการมีความสวยงามทางจิตใจนั่นเอง จึงขอฝากเรื่องการเสริมสวยทางใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล